การปฏิบัติธรรมะต้อมีอื่นไกลไปจากกายจากใจของตัวอย่าไปคิดว่าอันนี้เราเคยภาวนามาแล้วเคยทำมาแล้วจะทำมันอื่นต่อไปอย่าไปคิดแบบนั้นเพรการปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกันกับเราทานอาหารเราทานอาหารก็ทานลงไปในปากของเร า, าปากนี้เคย ทาแล้วจะเอาเข่าทางหูทางจงมูกมันจะเกิดสาระประโยชน์ให้การทุเจนาธรรมะกําจัดปัสสาวะยิ่งเสันหาทางกายใจก็ทํานองเดียวกันสิ่งใดที่เราเคยทําได้รับผลประโยชน์เกิดความสงบสงัดเกิดความสะดวก ส, วา ส, วาสบายแล้วก็เอาอันนั้นแหละทําเรื่อยๆไปแต่ไปคิดป่าอันนี้เราเคยทํามาแล้วจะเอาอันใหม่ถ้าไปคิดแบบนั้นมันคิด จากหลักธรรมดีในที่พระพุทธเจ้าสอนเขาทําไล่ทําสวนทํำนาเขาก็ทําที่ยินของเก่าไม่ได้ไปทําที่อื่นแต่ทําอยู่เรื่อยๆทุกปีที่เขาทําผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระทํำเขาไปรับนี่เราภาวนากำหนดตายกําหนดจิตของเก่านี้แหละจิตของเราขค่อยจะเบาจะสบาย จะสงบรวมรวมให้เป็นควาสงสัยาการภาวานานั้นจะทําอย่างไรทํามาแบบนั้นได้รับอย่างนั้นทำมาแบบนั้นได้รับอย่างนี้ก็ทําทตามแบบเดิมที่ตัวเคยทำจึงได้รับสัมผัสจากอัดธรรมคืว่าได้รับความปลุกความสงบมันจะมีทางผิดต่อเมื่อดดใดจิตใจมีการสงสัยจิตใจมีการ เคลื่อนไหวจากเดิมไปมันก็เหมือนกับไฟที่มีเชื้อมีอยู่ที่ไหนมันก็ไหม่ลุกลามไปแต่มนนันติดในเบื้องต้นแล้วมันเป็นแบบนั้นมีอวิชาตัณหาอุปาทานมันมีอยู่สถานที่ใดชาหาจิตใจของเรารวมรวมได้รับความสุขความสบายแล้วมันเกิดสงสัยอะไรมันเกิดคิดไปกงไป เพื่อใจแก้สาขับไล่ความสงสัยของตัวที่มีอยู่ให้ตกล่นออกไปมันใหม่ไปตามจิตมันมีเชื้อถ้ามันมีมีเชื่อเหลืออยู่จะไปจิตอะไรมันก็ไปจิตให้คํามาดาของไฟมีจิตใจที่เราหายสงสัยจากที่เหลือตัณหาของสานองเดียวกันจะไปพิจารณาอะไรกันอีกอันนั้นก็เพราะมันหมดสงสัยแล้วพิจารณาแล้วก็จะมี เลยรับผลรับประโยชน์อะไรเพราะมันหมดสงสัยถ้ามันยังมีสงสัยก็คือยังมีเชื้ออยู่จำเกณนมันจะต้องไหมไฟนี่การพิจารณาของจำลองเดียวกันแต่มันยังมีสงสัยแต่จะต้องพิจารณาซ้ําลงไปอีกจกมันหมดความสงสัยหนึ่งนั้นเมื่อมันหมดความสงสัยแล้วไม่ต้องบอกว่าให้ปล่อยให้วางอันนั้นมันก็ปล่อยกวางข้อมันไปเองเพราะมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไมมีอะไรที่จะ คนข้าไม่มีอะไรที่จะหาศาสตร์ดีอยู่แล้วไว้ในสี่ง น, นั้นในนี้อะไรทิจะไปหาเอาสารประโยชน์กับมันเพราะมันหมดไปแล้วนี่หมายถึงจิตใจสิเกินไปในด้านวิปัสสนาจะมีความสงบมาก่อนแล้วพิจารณาถอดถอนเกียงความของจิตคิดเปิงของใจต่างๆมันมีความสงสัยที่ไหนมันก่อไปตาม ขานะหน้าที่ของมันจนหมดความสงสัยจิตตัวมีความขวองใจอยู่นั้นมันก็ไปอันใหม่เมื่อมันหมดทุกสิ่งทุกประการไปแล้วมันกม็มีอะไรจี่ไปละที่จะบำเช็ญเป็นอเสขะของจิตเป็นอเสขาของบุคคลจิตถึงบุคคลก็ดีทำดีในจีตพระพุทธเจ้าสอน มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันที่เป็นอยู่หรืออนาคตต่อไปสาวผู้ที่พิพจารณาตามธรรมะจะต้องเป็นไปแบบเดียวกันไม่มีไปที่อื่นคืออะไรที่มันยังไม่สงบเราก็ทําให้สงบพอมันสงบไปแล้วอะไรที่มันยังคล่องใจสงสัยมันจะต้องพิจารณานั้น ไปแถวเดียวกันตลอดเดวลาใน่ว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านจะต้องขวนคิดพิ่เจรณญนะเกิดแก่จิตของท่านแบบเดียวกันหมดเมื่อถึงความบริสุทธ์แล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกเข้าไปสี่เป็นผู้บริสุทธิ์ผัท่านองเดียวกันในจิตแปกแตกต่างกันในความบริสุทธิ์ของท่านและสาวกี่จิตแตกแตกต่างกันก่อเดือยอำนาจบาปสนะ นั้นผิดแตกแตกต่างกันจริงเพราะพระพุทธเจ้าส่วนมีอํานาจบาตสนาปุญญาที่คุ้มครองผิดจากสาวกหรือสาวกบางแผ่นบางองค์ก็มีอํา น, นาจบาตราสนาถึงส่งในการที่จะ้ะถึงขอทรงหาในการที่จะแสดงธรรมะให้แก่คนอื่นบางแผ่นบางองค์ก็แคบแต่ความบริสุทธิ์นั้นมันเหมือนกันในผิดแตกกัน <c oughs> นี่คือความบริสุทธิ์ของใจในบาตใครทั้งหมดไม่นา่าผู้หญิงผู้ชายในว่านักบวชเท่าไรแต่ถึงความบริสุทธิ์แล้วเหมือนกันหมดเราจะไม่ต้องใส่าผู้ผู้ชายชาติจะบริสุทธิ์ยินงกว่า น, นี้ไหมมันจะไม่มีงใสงสัยในใจเพรความบริสุทธิ์นั้นทราบดีบ่งบอกอยู่แล้วว่าความบริสุทธิ์นี้ไม่ว่าสมัยใดการใดในบาตใครทั้งหมด อ้าหากบวชปฏิบัติมาถึงท่านนี้จะไม่มีอะไรจะสงสัยว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรคนนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับผู้บริสุทธิ์จะทราบเข้าใจในตัวเองว่ามันเหมือนกันอย่างนี้ไมนมีจีตแตกแตกต่างอะไรขอสําคัญพวกเราท่านที่ตั้งหน้าตาั้งตาปฏิบัติในใ่จะไป กุ่มหรือหมายเอาความบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไปรวมดาวคิดเอาเหมาเอาหมายเอ า, า, ยเ อ, าอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็ไม่เห็นหมายเชินให้จะต้องต่างใจเพราะที่ปฏิบัติรวยไปหน้าที่ปฏิบัติมีอย่างไรกำหนดอยู่ในบทต้องอัดต้องทำอยู่ในใจในจิตต้อตัวตามอาณนาะหน้าที่ขจิตผู้ปกครองปฏิบัติใหม่โดจะต้องต่างใจ กำหนดบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจเพื่อจะให้จิตใจจิตใจผูกพวงคิดอ่านต่างๆสงบรวมตัวลงถ้าจิตใจมในใจสงบเยอะก่อนแล้วเยันทันแนะท่านสอนฝ่ายพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้ก็อจิกระโดดพิจารณาไปทีเดียวขาดเป็นแบบนั้นจิตยังไม่มีท่านสงบ จิยังไม่มีพื้นฐานที่จนาาคิดอ่านมันก็ไม่ละไม่ฝอนที่เ็สตันหาให้เพราะใจขาดจากความมัน่นคงขาจากความหนักแน่น่าจากสมาธิความสงบจึงมีอยู่ในมรรคทั้งแต่ทั้งทันะการหนึ่งเพราะมรรคแปดนี้ทผนบงบอกว่าเป็นทางที่จะให้ถึงความบริสุทธ มาแจกย่อลงมาก็าได้แจกสีนสมาธิปัญญาศีนสมาธิปัญญาย่อลงมาก็ได้แจกใจวายใจใจในนอกเหนือไปจากตัวของเรานี่คือตัวของพระไตรปิฎกตัวของมหาให้ทยานที่จะต้องศึกษานิเดจันหามันจะเกิดมาจากนอกมาเหนดินที่ไหนเกิดขึ้นจาก จากใจของเราแต่นั้นการกําหนดจิตกหนดใจยังเป็นการทับไล่ความสงสัยความผุ่งผงของใจต่างๆให้จบออกไปให้สงบออกไปให้หมดจิตจากที่เดือตั้นหาหากไปกําหนดอยู่ข้างนอกแบบตำรานั้นท่านพูดอย่างนั้นตารานี้ท่านพูดอย่างนี้ครูนั้นท่านสอนอย่างนั้นครูนี้ท่านสอนอย่างนี้ ไว้ตรงอยู่ข้างนอกอย่างนั้นในส่วนผลเกิดประโยชน์อะไรให้เพราะคิดเดือมันเกิดจากภายในและมันกอ็อแม่ในอาการอ่างเวลาหลักการนั้นก่อนการนี้ก่อนจึงจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกสมัยในว่าเราจะนั่งจะยืนจะหลับจะนอนมันเกิดขึ้นได้แต่นั้นเรื่องการภาวานาการทำสติการทําปัญญายังควรกำหนดรักษาอยู่สม่ําเสมอ ไม่อยา่า ง, งนั้นจะ็นคันสำมุ่งของกิเลสการาก็อันไนตั้งขา่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการภาวนาของเราจะต้องหาสถานที่ฮะวันหาเวลาแต่กิเลสการหามันเกิดขึ้นบ่อยอย่างนั้นมันจะงในคันกันอย่าจะให้มันคันตัวคูกำหน ด, ดอ ย, ดดดดอยู่เรื่อยพิจารณาอยู่เรื่อยในสติยืมหลง ใหตัญดาเนีนเฉยอะไรตองขึ้นเกิดขึ้นจากจิจากใจจะนำมาที่นิ่พานาสวะแกกไข่ทับไล่ส่วนที่สั่วเสียออกไปนี่คือการปฏิบัติธรรมนะอยู่ความไม่ประมาทจะต้องกำหนดรักษาตายวายตาและใจองตัวและทำอยู่สม่ำเสมอ ท่านแม่สอนเอาไว้คือสอนใจสอนใจไม่ได้ไปสอนที่อื่นและขอสอนคนที่มีกิเลสตัณหามาณที่ผิด อ, อย่างพวกเราตาดีและใจไม่จําเป็นตัวผิวขึ้นกิเลนแล้วเหมือนกันกับคนที่ในยโรปใครใค ร, ใครเ็ไม่จำเป็นที่จะไปหาหมอไม่จําเป็นในยาคนอิ่ น, นก็ททางน้องโยวบันไม่จาเป็นในเรื่องอาหารที่จะเดือดจัดทาน มันอินแล้วคนหิวต่นนั้นคนมีโรคอนนั้นจิตจังเจนกับยากับอาหารคนหนาวตอนนั้นจิ่จําเ็นกับไฟกับอาหน่งขาวห่มที่จะนะต่ความอดอึดอัตัวอ่าไม่หนาวมันก็ไม่จําเนที่จะหาขาวห่มาห่ ม, ม, หมหน่งเพมวรก่อนเพรอยู่แล้วร้วอนกท่านนองเยียวน เราอยากอาบน้ำอยากอยู่ร่มเงาเพาะความรอาหนาวเมื่อมีแดดมาก็ดีใจจะได้ยิ้มแดด้ความอบอุ่น้าหาร้อนก็จเป็นที่จะหาน้าอาบหรือหาลมเงาจะให้ความเย็นแตัวองตัวความจำเป็นของโลกมันเ็อยู่อย่างนั้นความจเป็นของดีในกว่าทนองเดียวกัน เราอยู่ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ทุกแก่กายแก่ใจเพาะไม่มีเรื่องที่จะคิดแต่เนิรจะแก้จากไส้เพาะไม่มีอะไรต้องสัยไม่มีอะไรขัดข้องพอเนื่อทุกเกัวขึ้นให้เกิดขึ้นจิตใจของเราควรปั่นหงษ์ไม่ตั้งมั่นตรวจคงตัวเองไม่ไว้ใจว่า ความชีพของตัวนี้มันจะเป็นด่างไรเมื่อามันเป็นด่างนั้นจึงจนะต้องศึกษาปฏิบัติธรรนะเพื่อลดส่อจิตใจของตัวปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจมันเขา้าถึงขังงขง้นออกจิตใจขอเรามันเขา้าถึงอาัานุ้งธรรมรู้ใจเคลื่อนใจจิตใจข้็งใจคงใจ วารีนั้นมันสวยสดงดงามเป็นหน้ากาชนะหน้าดาได้เกิดชําหนักยินดีย้อนไปของตัวกไอคิดใไอจงในรูปนั้นอย่างนั้นแบบนี้จงไปตามหน้าจิตจงไปตามดวงของที่เหลสตามสมุดของโลกมันติดมันขวางมันต่อมันควรติดใจเอาเกี่ยวเกี่ยวกางกลางสำหรับบางท่านบางคนลุกโดยทั่วไปในวัยหนุ่มว้สาว อะไรบ้าในบอสีิมันเก็นไปเพราะจิตใจมันชอบมันติดมันคิดมันปรุงไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าไปสถานที่ใดนะฮะไปปลูกรูปคือมันชอบใจแล้วมันจอมนึกจอมคิดจอมปรุงในเรื่องอันนั้นอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องที่เราเห็นแบบความทุกมันพทรมานตัวของตัวนอนมันเกาะ ไม่ผูกไม่สบายให้อยู่แต่ฐานที่ใดมันก็ทิ้งกับวงออกไปเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นในการที่จะปฏิบัติทำตัวแก้ไขกับไล่สัญญาอารมณ์ที่เคยมีสังใจให้ตกออกไปการที่เจนนักรำการที่เจน า, ารูทารปที่เราขวงผิดนั้นทางธรรมะทางศางสาศานาพระพุทธเจ้า ขันแหนสอนเอาไว้ตัดขั่วไปที่มี้กิเลสตัญหามันเป็นกิเลสตั้งหมดไม่ว่ามางดย์หรือตัดที่ได้สานมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของตามัจฉิเลสเป็นเรื่องสั้งคันขอบงามของพวกเราขันและตัดขั่วไปโลกอันนี้จึงอยู่แตามโลกคือมันเกิดมาก็เกิดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ยินดีในตามความบุญบายของเรื่องของตามเป็นส่วนให่ ทุในเรื่องของาจเป็นเรื่องทั้งแทนในใจเรื่องทุกแปดขันโดยส่วนใหญ่มันทุกเรื่องท้ององกใจแต่นั้นทางศาสนาท่านจึงสอนใส่ที่นิสัยนาศึกษาปฏิบัติหจิตใจท่องตนใส่ต่อหาความสงบเที่ยก่อนคือมีสมาธิเบื่อการกําหนดบททุกข์เบ่อควาดีเบื่อกาน กำหนดลมหายใจก็ดีจิตได้ที่ได้ฐานตั้งมั่นในอจในธรรมแล้วโว็บจิเกยนึกคิดจิดฟ้องเสียงจิเใจกระหน่ะกฟ้าเสดจิตใจ อ, อยากฟังนั้นมากำหนดดูพิแานาดูกวัวจะแก่ไขใจที่ฟ้องจิตนั้นนั้นให้ตกออกไปด้วยอำนาจนำ รูปนั้นมาพิจารณาก็ดีนํารูปนี้ที่เร า, า, ามีอยู่ก็ดีพิจารณาที่้ายให้เห็นตามเป็นจริงในรูปเพราูปนี้เราไปตั้งคัญมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่ะศ า, าสตรบุคคลว่าสีเรลี่ยกสีเหลีว่าสวยว่างาง่ตามจริงแล้วรูปเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากขาดทั้งฝีเกิดดินน้ำลมไปแต่ liter. ทั้งฝีที่อยู่ข้างนอก มันก็มีทั้งกี่ทีอยู่ในตัวของเรามันก็มีผสมส่วนกันเขา้าไม่ว่ายินน้ํำลมไฟอยู่สถานที่อื่นยังพออาศัยพออยู่ได้สะดวกสบายเมื่อมันอยู่ในกายของเรามันมาจากสมวนกันเขา้าเราในที่นี้ที่จะแยกแยะแกะดูก็ไม่ทราบว่าส่วนใดเป็นอะไรแล้วความ สวยงามนั้นมันมีอยู่ในที่ไหนเราเลยเหมาเอาหมดว่ารูปอันนี้มันสวยมันงามมันดีมันเด่นมันน่าจูน่าเกาะต่างๆนานาแต่พิจารณาแยกแยะตามธรรมะของพระพุทธเจ้าพิจารณาให้เป็นปฏิปูลพิจารณาให้เป็นรมาฐสารจะต้องแยกแยะออกจากผมขนเล็บฟันหนังเน้อาหินกระดูกต่างๆแยกแยะออกจาก ตัวของบุคคลตัวของเราได้เกศผมนั้นมันก็เป็นเส้นๆอยู่บนตีสักมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งนั่งบวชทั้งฆราวว่าสของเหล่านี้ถ้าหากเราไม่ตกแต่งไม่ศรัทธาไม่ดูแลรักษามันจะเป็นอย่างไรยังไม่อาบนะ้ำไม่ศรัทไม่กี่วันกี่เดือนสิ่งของมันเป็นอย่างไร แล้วเมื่อมันตกหล่นออกจากสถานที่มาตกไปที่นั่ ง, ท, งที่นอนของเราเราชอบไหมยิ่งตกลงเต้ไตภาชนอาหารหรือน้ำดื่มของเราเป็นอย่างไรถ้าหากมันเป็นฟอกเป็นกรรมแล้วใครเล่าเขาจะยินดีการอาหารที่มีผมขอมนุษย์ตกอยู่อย่างนั้นน้ำที่มีผมต็ดอยู่อย่างนั้นไม่มีใคร พอพอกันแต่เมื่อมันอยู่ในชีวิตะทำไมมันเป็นหมาเป็นบอไปหลงไหวไปฝันว่ามันสวยอย่างนั้นมีตรงงานอย่างนี้นี่คือการที่ตายที่เจใ น, ในานเรื่องของเล็บของฟันกวดทำนองเดียวกันเมื่อมันอยู่ในปากปวต้องอาศัยการแปลงฟันการแปล ง, งให้มันหายจากความปวดกระปบแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีกินทันอยู่ ดึงออกมาจากเหนียวจากปากของเราไปติ่งลงไปในภาชนะอาหารคนกิดท่ทานเลยกันอยู่นั้นท่านที่อาจเจริญทะเลาะอาจตีกันเพราะไม่ชอบแต่มันอยู่ในปากทําไมไปชอบไปติ่งมันน่ะพี่นี่พีเจนาะตามความเป็นจริงของมันสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งที่มันมีอยู่ในกายของเราเรารู้ว่ามันสวยมันงามนั้นเพราะจิตใจของพวกเราท่าน มันติดสมุทรเคยฝังธนามานมนาบิดามาดาปุยาตาปวดตัวเคยเคยฉันลายเส้นหมามันงานแบบนั้นมันสวยอย่างนี้ความจริงเคยได้กิน น, นิติเจนะตางความจริงท่องมันหนังที่มันหุ่มหอ่อตัวของเราก็เหมือนกันตลกออกไปข้งตัวแล้วเอาไปปูนัง่งปูนอนกี้มันจะมีใครขามากนั่งนอนหลัหนังมนุษย์ จะาเอาไปัดไปทอดหรอให้ทอดที่จะกินกันทานกันมันเลยมีอะไรที่จะสวยงามให้เมื่ออยู่ในใยอเอาหนังออกไปห่ไรล่แมลงมันไหม่ันมันจะมากี่มาเกามันจะมากินเพราะเหลือแต่เนื้ออยู่ในตัวต้นแบบนั้นมันเป็นอย่างไรกันล่ะจะเป็นแฉใน ตอะไรตัว น, นั้นก็ยังรังเกียจแล้วมันไม่มีหนังทั้งตัวมันจะเป็นอย่างไรแล้วมันสวยที่ไหนทําไมเหตุที่เจนาทีาท่เจนาต่อไปลึกกว่านั้นถึงใกล้ถึงพุงถึงตับถึงกอนแล้วเอาออกมาดูข้างนอกเราจะชอบไหมคนจีตะมันออกมาข้างนอกกอดมันออกมาข้างนอกจนเข้าเราจะคิดอย่างไร ว่าเอ๊ะปอดคนนี้มันสวยปับคนนี้มันงามจะคิดไปไหมนี่คือการาพิจารณาเกิดแก่ใส่ขับไล่ความผิดคิดปรุงว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีอะไรสวยงามในกายของเราไม่ว่าไรออกมาจากที่ใดขุ่มใดบ่อใดเขาวานใดนี่ต่ขี้ทางนั้นเป็นของเนา่าของเน้นของประดิษฐ จริงมากกอเกี่ยวพวกทันตัวผ่าทีลราหุงหอมจิงมีการซักฝาทันอยู่เรื่อยพะมัน้องเน่า้องหมันของปฏิกูนออกมาหรือยากจะดูง่ายๆอาหารที่เราถือกานอร่อยสะอาดฟุ้งมาโดยตาพุงมาโดยดีอยู่ในช่วยในตาข้าวกเป็นข้าที่สะอาดดีดีถึงมาแล้วเอาเข้าไปในตาเที่ยวตกุดด เราของเราส่วนั้นอาออกมาเป็นอยไรมันจะพิกลขนาดไหนไทเล้านจะมามันจะไปกิอีกไมันจะพิกลอยขนาดนี้ยังเข้าปากล ง, งถึงทงถึงกต่เพราะมันจะเป็นอย่างไรมันก็นไปิทััวใหญ่หรือเรื่องของมนุษย์มันจะ็ขอิกลออย่างนี้นตนน เ, เตั้งนี่เดีวเราเป็นอยางไร วุเ้เรใช่เราเต็มใจเราปากขนานั้นมันต่เหมือนกันไม่ใช่เรลูกนั้นมันปริเสธที่โผล่เป็นให้เป็นซอยมาจากที่ไหนมันทํานองเดียวกันกับเราที่ถึงน้องเราอยู่เหนือยโดยการขัลไล่ความสงสัยขักไล่ความตั้งหนนดีจะต้องขีดหายที่นิ่ที่ น, นะแนเแียใหายใจที่ห้อ ง, งติดต่าง แต่เยนาเป็ น, น, น, นปจริงขงมันแต่นาเรไปดู่ทจริงจงก็ทานองเดียวกันแบบเอาทั้งหมดัวนีถาสีมันการถาสีนี้เรายืนเขาอยู่ในวันได้ก็วันหนึ่งเขาจะคืนไปสู่จิเดิมต้องพักเราในนี้จิตจะอยู่ต่อไปไดุ้คนะเ็แบบนะเมื่อมันไปบนแบนะจิออกแตบ ตายแล้วตายนี้ยังมีอยู่นะฮะกรูครูยังคงคิดอยู่แต่แม่นี่คิดเท่านั้นมันเป็นแบบอะไรกันล่ะมันเคยขนาดดีดีอะไรกันและกันไหมจะเป็นวันเพลินกันไหมมากอะไรคนที่เจยเป็นบ้าในเรื่องของตามเอาไปเพลินกันไหมขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเพื่อเพลินเรื่องของอากจินจังมันเป็นแบบนั้น แต่จิตใจของพวกเราท่ามันหืงมันติดมื่จิดใจเ้ามาก็ะอาใัในธาสีนี้ยังจัตัง้งมันหมายว่ายิงวายชายม่าน่ากำหนัดบินดนีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านกิรูปกาไม่มีควาไหมายอะไรอต่นีจะรูปกายจริงๆมันเป็นแบบาานี้โดยารที่แกน่า่กแจกให้จิตใจของตัว สี่ขัเสี้ยวิตกรต่างๆนวออกไปเรื่องราคากาหาในใจาเห็นตามนจริงแบบนั้นเรารู้แล้วทางตัวของเรนี้ไม่มีอะไรที่จะช่วยตัดงดงามหน้าดูน้าแดดหน้าเมื่อมันไม่หน้าไม่หนาแดดได้อย่างนั้นจิตใจันก็ไม่จน่มันจะเบื่อหน่ายคร้องห้ใสฝันบาบอหองใจติดไปตามันเห็น อปอักเตามเป็นจริงทหมมันปล่อยได้้างได้ความโรคที่ยาได้ควอื่นเรื่องอื่นก่าทาน อ, เ อ, น อ, องเดียวกันอาเราพิจารนาะในครรมะตัมีาาการละการถอนการปล่อยกางๆได้ารทําจิ้มเป็นเรื่องสำคัญเหมือ น, น, นกันกับยาโรคโรคไข้ไข้เก็ต่างๆคว น, นที่เป็นโรค บางเจนจะต้องหากามารักษามารักษาในอย่างนั้นโรคบางอ่างก็ไม่มีวันเวลาที่จหายจากตัวของเราไปได้ยิ่งเจนโรคภายในเจนโรค้องเจโรคที่เดนตันหานี่บางจนหากยิ่งต่างี่ตัวเราต้องจะต้องแสวงหาธรรมะมารักษาเพืในในเ ท, ท, ที่รักษาหาไปแล้วนับหมืน่นนับแสนเลยได้โยอันนน ยาคือธรรมะของพระพุทธเ้าท่านเหล่านั้นตั้งใจรักษาไม่ประมาทนำาคือธรรมะมาแก้ไขจิตใจของตัวที่เสือเชื้อต่างๆ ห, หายออกไปแตกใจกำนดแตกหมดแม้ที่จิหมดเลือดหมดปวดหมดหลต่เสือของเสือไปด้าน ก็เป็นโรคสนดิดเดียวกันกับอาหารยุ่งยาที่เคยเกิดมาแตเราประมาทมเผลอว่าทำนะสมัยนี้แต่เปต้องหยุต้องดีไม่เ็นหยุดเป็นยาที่จะแก้ที่เดือดร้อหาเราจะไปหาเรื่องอืนอ่นมาแก้ไขอยาไปคิดมลยว่าจะทดจะเป็นยาฤกษ์ ฉะนั้นอุ่นยิ่งกท่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้จะ ต, ต้องนำธรรมะของนั้นม่แกีไยข่ายหาพิจารณาหน้าเกี่ยวถือธรรมะของพระพุทธเจ้ากว่าเป็นดาสหรับขับไล่กิเลสตัณหาในใจนำธรรมะมากาหนดที่นี้พิจารณามารักษาใจของเราตามตามตามเวลาตามเรื่องที่กิเลสัณหาเกิดขึ้น มักเกิดขึ้นควาณยินดีเกิดขึ้นเราอยากเล่นเรื่องเมตตาุณาไปเล่นเรื่องเมตตาุณาที่เาอยู่ในจิตในใจันไปันไม่นั้นยิ่งัำลังโขึ้นเะเมตตาคือคามรักใยินดูในเรื่องนั้นันทงจิตทงใจ ของเราที่ยังไม่ได้คิดในคนอย่างนั้นมันก็ติดตัวขวางอยู่แล้วยิ่ไปคิดเอาว่าถ้ามันขนาดยินดีถ้ามันไปสอดใจมาไข่ควนที่เจรานะ น, าานาในความสวยควางงามของมั น, นอะไรจิตใจก็จัดต่องเกิดตั้งโลกขึ้นแวนั้นผลสุดก็เป็นที่เป็นใจเจอจนถึงจัดินไม่ได้นอนไม่หลับจนที่มัน ตอนแรกยิงกันมันเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขบไปเมื่อตนมันก็เกิดขึ้นนิดไปหน่อยแต่ะมันเกิดขึ้นเต็มที่แล้วไม่ว่ารัเป็นลําตายไม่ในสางเขาไปได้หมดในที่เหลือกัหา่น่คิดติดความเสื่อมเสียต้องนกับกำนังเดียวกันหตแล้วางรักษาเอาไว้มันเกิดขึ้นแต่แคนิดหน่อยจะจ่ายประมาทแต่นเกิดขึ้นมามันก็เผาไปไม่ไปนะความสงบเย็นใจในนี น, น้ำทำนัก ม, มาแจกใสเหมือนน้ำดับไปโม น, น้มากอะไรไปนั่งกาะดับไปมันสู่น้ำในบ้านทำนัมมกแทานเยอะมีมากอะไรไจิตีรคปวดลงมันตรวจไปินแจกใสดยทำนัคืออาคตตาอาตตาอนอนัอนอนอนตตาง คือจะนำมาล้างมาแก่ไขจะไปใช้ในสารหนวลาสิทธิหนักยืนยืมหน่วยยาสิดธิจังสิทฝงในรูปจะต้องแหน่ทาให้เกิดอยนี้แล้วจะไปแยกให้ได้อย่างนี้จึงเป็นวิธีแกะไขกันเลยนะผู้ปฏิบั่ิจะต้องมีจะต้องมีปัญญาในตัวในแบบนั้น ก็จะในชั้นเรื่องของิเลสัญาเรื่องในั้นกิเลสัญานเราเคยนันเคยง่มาแล้วเคยบตกมาแล้วมันที่เกิดรยจะอยู่โดยดอมายตลอดแชังปัจจุบันนี้กิัญายังออกาออยู่ประมาเสมอไปอะใคิอย่นั้นยอะใจลุ้นอย่างนลยล้วไว่นนนั้น เป็นหนานั M ้นนี่เป็นอย่างนี้อ้วนดิ้วอ้วนวายหาบ้างลอยบางหยุ่ขาดไม่มีในตัวของตัวนี่คือเรื่องในทางปฏิเหลนตั้หาเรื่องตั้งได้ในความต่อที่เหลืออาโอรมวิปิชาธรรมะศึกษาปฏิบัติจงจตใจองพวกเ่านใจมันโง่เราตั้งคำเรื่องรา อารมณ์กับฑานั้นอย่าไปคิดว่ามันจะหนทันัทีนะฮมันลวเอียดตัวไปมันถึงเรื่องบกที่มันเกัดมันต้องทันมันเป็นอัตโนมัติของมันไดยไม่ังเอาไว้แต่ที่มันจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเป็นหนาที่อะไรตกวดขึ้นโยงขึ้นจากต่างเรื่องของต่างฐานจะข่าจะเข้าใจ ปัญญาแต่ใจต้องคิดถึงเรื่อง น, นั้นนะผลแบนออกไปอะมีความหมายต้องใจถ้าไมมีความหมายต้องใจปกติเรื่องของ่างฐานมันไม่ใช่เรื่องของที่เหลืพระพุทธเจ้าหรืออาาริอเรยเจ้าภูิที่เหลก็ยังมีอยู่แต่แต่ยงมีที่ออยู่จึงเรียกว่าฐานอันนี้อะเกิดในต้นที่เหลือ มันไหนเป็นพิเรลดอะไรตัดจิเป็นพิเรลดมันก็เป็นพิเรลด์ตัวตายเมื่อเราติดตั้งในจิดในใจถึงขั้นอัตโนมัติมันจะฆ้าเรื่องเหล่านี้โดยในตั้งกฎเกณฑเอาไว้ถ้าเกิดขึ้นมันค่าแล้วมันก็ดในในในับไปตามหน้าจิตของมันความคิดมันดับอยู่อย่างนั้นตแต่ตั้งใจทำหมันหมายต้องใจตั้งใจหมายเอา ว่าน mm ั่นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอ่นี้นั้งแยงนี่เั้นเลืองสำัญทางจิตใจของพวกเราท่านไข่ป้า่อไข่ดีใจเดียใจได้เพราทางไหนต้องใส่ใส่ในภาพคือเรื่องดีี่แต่จริงดีดีแมาคิดมาปรงมันดังปวดตามชอบใจตามดีใจขึ้นได้จริงทเชื่อที่เสียก็ทั้งนองทั้งการ ถ้ากินทานไปในมีอะไรเหลือหรอแต่มันไปคิ ด, ค ไ, ดไปปรุงไปจกดจุดกวในของสมันเคยไม่ดีไม่พอใจนะนันก็เิดขึ้นนดนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตใจก็เกิดแต่นั้นเรื่องฆาเรื่องขัเงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะศึกษาการจิตของเรามีแต่กิรดามีสมาธิแล้ว ในต้งไปศึกษาที่อู่ศึกษาในเรื่องของธาของขันนี่แหละธาตเรื่องธาเรื่องขันตามเปินจริงของมันคือรู้เรื่องธาตุเรื่องขันคืออะไรเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นแบบอะไรกับธากับขันมันอะารให้กานรูมันอยู่เอ่ยแต่เพื่อตอนที่ธาตุขันยังอยู่ที่เราไม่แต่ที่นม่ที่เจอนะเห็นความรู้ที่เนื้อธาตเนี้ยขัน จิตใจของเรามันผสมกันอยู่อย่างไรว่าเราปฏิบัติทำดในตั้งใจรักษาภาวนาจริงจังความรู้่าตุขันธอันนี้กามเป็นจริงของมันนั้นมันเป็ น, นอย่างไรเราดูที่เนื้อธาตเนื้อขันธ์แบนี้จะมีใครผู้ใปดปฏิบัติก็จะเห็นว่าเมื่อเห็นแล้วความสงสัยเรื่องาเรื่องขันับความสงสัย อย่างารู้มาเห็นถึงวาีสุดมันมีอะไรที่จะต้องใส่ในใจอีกจะมีอะไรที่จะปฏิบัติ้ีกามจินมันล้มท่าล้มแขเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ้มเราหรือล้มเขาตอนนะั้นขาดาเรื่องขาดเรื่องแขงของตัวตามเป็นจริงขาดแขงของคนอื่น เ, อนเป็นหมืนเป็นแสนไม่เท่ากันขาดนั่นก็ทําน้องเยียวกันไหนมีอะไขาดขล่านั้นจะมา ย่อเย่อให้จิตใจใส่สันล้ไหลเพราะพอใจในสันงตัวนี่คือการศึกษาะของพรธทธ้ารู้เห็นเด่ดนเป็นจริงอนะจึงไม่มีอะไรที่จะใน่ไ ม, มีอะไรที่จะใส่ถามคนอื่นเพาาี้ถามากกว่าจะตอบคำเดียวกันาท่านเหล่านั้นรู้เห็นตามเป็นจริงารู้เห็นถามแล้วก็เหมือนาคนด้ มันมีอะไรที่จะตอบเพราเขาไม่เห็นมันเป็นในใจเพราะถ้าจริงหล่านั้นมีอยู่แต่ลราไ่ฟุ่นฟูจริงเหล่านั้นน่ปรับปรุงจริงเหล่านั้นนี่ทำจริงเหล่านั้นเกิดประโยชน์มันงก็ได้เกิดประโยชน์ให้ส่วนที่มีที่ดินที่สวงอยู่แต่ไม่ปลูกฝังอะไรวนมันมีอยู่ดินมันมีอยู่แต่มันป็่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้เพราะทลงไป ส่วนในสวนกะจัดต่อไปน้องให้ด้วยให้เรียบความปลกความสบายมีอยากมีกินมีคจมีสอยต่อไปมีขากขันเขาบวกอะไรขันกัทพลังเดียวกันมันมีเยู่พรพุทเจ้าเอาศาสตขันอันนี้ประเทิดปฏิบัตอริยาสตร์ทั้งสี่ตรวอยู่ในขาในขันพวกมันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ยิ้ม้าตาที่อื่นไหมสมุทรไทบคามอยากของ กากาะทุกเกาะใจใจตัว <Basil> ของตัวมันอยู election, ่ที farther, ่ไหนล่ะอยู่สลาาลาหรืออยู่ในใาใจใจขตองดูเข้ามาภายนี่ใจใน้ามาภายในเมื่อปฏิบัติทุกาเป็นจริงเห็นสดไทที่มีอยู่ในใจแต่ละคนละนบทุกมันเป็นด่างไรจะไปต้องไที่ไหนมันเกิดขึ้นกับใจของตัวมันเห็นอยู่ในตัวของตัว E. น, นี right. น yeah. yeah. ่คือการปฏิบ yeah. ีต uh. ิตากันนะนะก็ดดำเนินกับตัวเสียงนมาธิปัญนั่นคือมัดการดำเนินกับเวทปฏิบัติมันมีอยู่ที่ไหนล่ะสาัมงกัปโปตอนเสียงครอบดำเนินครก็มันก็เกิดขึ้นจากใจมาใจสมากำมันโตมาคือนั่นก็คือเป็นเรืองของเสียงคือเรื่องใจเร่อง่าใแต่เดีนีอยู่ที่เห็นใจวกานี่อยู่ในตัวพวกเราทั้งนั้น สมาอาโยมสมาสติสมาสมาธิตัคือเรื่องร่างกายอีกพลังเดียวกันอะไรแหละแค่ขากเปลี่ยนทางใจเป็นผูดมาขาดมาเปลี่ยนมาทีนี้นือใจนะสติมันอยู่ที่ไหนอยู่ในัมรภูมิลาหรืออยู่ในยู่ในใจขางเราสมาธิการตั้งมั่งของมันการสูดดึงขาดดึงขันดึงตายดึงจิมันจิ้งพุ่งไปหมดในคำ คำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็หล่พี่แนลงไปนี่ยใ้ดีจเยื่อโนยื่อจิตของเราให้คงิิใเกิดาุกเกิดโทษเกิดามลุ่มความหลงเราพยายามดูให้เห็นแล้วก็พัลแกไดด้วยปัญญาของเราวดที่ ทำให้จิตของเราสงบร่างนักรู้แจ้งพอใจ h ริงเราก็กำหนดสิ่งั้นเอาไว้รักเอาไว้เพียเมื่อมันเพียงคลงในตัวของมันเมื่อใดในต้องป่าผนเรื่องความสุขของใจความหมดเิดของใจมีมดของใจนั่นมันเป็นผลเกิดขึ้นเองเมื่อแต่เราบำรุงจนไหมเมื่อนั้นตบดอออกผลแล้ว เป็นเกลือหมม่วในต่อไปหานังอ้อยแตงไม่แตกทีอื não ่นถ ja ้ามันสึกแล้วทางหมนมันจะขึ้นเทีถ้ามันจะเดืออยู่ยังอ่อนอยู่จะไปหาทางหมนพวกมันจะไปหาที่ไหนหาในเจกผมันเมือนแคต้นมันยังไม่กแล้วจะไปัไปันไป ก็ไปคืนหาดอกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที đ đ ่ไหนปหาอะไรมันกไหนเจอเมื่อันแมาถึงาถึงเวลาจงดอกออกผลมันออกเองนี่การไยไปที่กหนดังที่จะจากสองสถานนองเดียวกันกำหนดลงที่เวลาลงไปอย่าไขาดไมไาเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อเราทำไเรยเรื่อยถึงกาถึงสมัยถึงเวลาของมนจะเกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นทของมันเองโดยที่เราไม่ได้คาดสันว่ามันจะเป็นไปอย่าง น, นั้นนี่คือเรื่องของนิมมุขมันเกิดขึ้นเองในเหือนเรื่องของมเรื่องของมากจะต้องอูตส่าห้พยางาั้ำเอาสินจะไม่มีรีบรักแหล่แต่นัชที่จะไม่มีรีบตัห้หนดที่จะนะหยุดทำเอกเกิดอกมีขึ้นกัญญายังในนมีก็เริ กิ น, นายามศึกษาพยายามฝคิพิจารณาแล้วก็่กทใส่ขึ้นไปเขียนมาที่ปัญญาปูนาร์ในสุดตัวผลตัว ผ, ผ, ผลนั้นมันเกิดขึ้นเองนีกางกรทบําเพ็ญยิ่ควรากหมายใสฝันหักผลหมามันควรจะเป็ น, น่ันควรจะเป็นอย่างนี้นั่นนั่นจะหนกที่มันจะเกิด เ, เองในต่อไป ตอแต่ตอกเต็ห้กำหนดลงไปให้ที่เจนาลงไปไหนก็สายแก้วไปทางนอกเหมือนนกว่นอาหารถ้าานลงไปไปความอิ่มไม่ตอกแตกนะันอิ่มมันบอกคุณมาเองถอาหารจะมีในถวยในจานเต็มอดเต็มนอยู่มันก็ทานอีกไม่ได้เพราะมันอิ่ทำหนาเดียวกัมเตที่นีที่เจนาิใจ ถัดไที่เด็สตัณหาเมื่อมันหมดออกไปบริสุทธิ์อย่างไรมันจะถ้าในจิตในใจของเราก็ทํานะเป็นฐานที่ิจิโกธรรมะเป็นตัดตัดตัดานะเป็นอาการิโกมันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นในมีการมีสมัยชาถึงชาถึงเวลาเข้ามาใจบริสุทธิ์นั้นก็ท่านเอาแยวกันเป็นอาการิโกและมีการในสมัยใดจะต้องใส่ วเวาจะทำอย่างไรอีกต่อไปหนูเอถึงสอมบอรีสุดแล้วมันสุกมันสบายมันดีมันดีเศษอย่างนั้นว่าะฉะนั้นขอพวกเราท่านทีมมุงหนามุงตามากัวพิเศษแบบแต่คำบอมเพนไอ้เกิดไห้เป็นไอ้เห็นไห้รู้อยกาไปตำหนิ ใจโสดตัวเองวะอาภักดวาตนะทำมานานแล้วไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นว่าห้ทคำไปเถอะนันจะเกิดจะเห็นจะเป็นทางนั้เพราะธรรมะของพุทธเจ้าเป็นของแต่ใหญ่เป็นติษของแต่ไท้คำคนนั้นนี่งงนสิตี่จะประพุปฏี่ั่ิติดใจได้จะเห็นจะเป็นจะรู้อาอในคำเชียงจะแตกนะ อย่าเลยจะมีลักษณะมากมายขนาดไหนถ้าไม่ทำก็มมีเวลามีเวลาตีจากนรรลุทำมากทำถึงจุดยากจงมานใจกว่าเรามีลักษณะในอาชทุกคนเกิดมาจะเป็นหญิงก็เป็นหญิงสมบูรณ์เป็นชายเป็นชายสมบูรณ์ในตึกอาับมากตีจากสั้งแต่ตั้งแต่อาชพว่าให้ทุกคนตรงต่างแน่ ที่นี้คือแจ้งแน่แบบวลิประที่แบบอจากจะไปะสบวรดความกุกความเจริญศีลธรรมน่ะสี่พระพุทธเจ้าเห็นอยางเห็นแ้พักในกิดในใจของตัวจะมีมีการสงสงยส่อ <c> ะ <oughs> ไรที่บายธรรมะเห็นนมาพอต้องจนเสีเวลาเพราะยุติแี่งแข่งนี้เดี